126. ความจริงมีอยู่แต่ในโลกปัจจุบันเท่านั้นคำว่าปัจจุบันหที่หลับตาเข้าไปในพวังก็คือผู้ที่ไม่มีการมาวจรหเพราะไม่มีความรับรู้สึกจากภัสสาห้าภายนอกถ้าเอาแต่หลับตาเข้าไปอยู่ในพวังจะทำเจโตสมาธิระลึก ซึ่งเข้าไปอยู่ในผวังก็ได้แต่ระลึกหรือไม่ก็ตรึกนึกคิดเอาในขณะอยู่ในผวังนั้นพวกนี้ทั้งหมด62ทิฏฐิหมดสิทธิ์ที่จะพบความจริงเพราะหลับตาไม่มีการมาวาจรห้าภายนอกย่อมเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็น มีแต่ความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นพระไตรปิฎกเล่ม9ตั้งแต่ข้อ51ไปถึงข้อ63ซึ่งมีแต่สัญญาเท่านั้นทำงานไม่มีองค์ประกอบหที่จะปฏิบัติให้เกิดปัญญาปัญญินีปัญญาพละ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบสข้อยี่สิบห้าเพราะไม่มีองค์ธรรมของธรรมวิจัยสัมโพธชงสัมมาชิฐิมรคคังคังที่เป็นตัวปฏิบัตินี่ให้สติแก่ผู้หลงหลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่ในฝันในพระวังพวกที่มิจฉาทิฐิห2บสองนี้ หมดสิทธิ์ที่จะมีนิพพานเพราะหลงงมอยู่แต่อดีตกับอนาคตรวมทั้งปัจจุบันที่หลงอยู่ในภาวะอนาคตซึ่งได้แก่พวกฝันไปกับวิมานที่หลอกปั้นกันอยู่ในภาวะหลับตาเพอ้อหลงในพระวางังทำสมาธิกันในภพภายในทั้งหลายพวกเพอ้อฝันอยู่กับอนาคตลมๆแ ล, ล้งๆนี้ มีทั้งพวกหลับตานึกฝันเอาอยู่ในภายในแม้แต่พวกที่ฝันเอาขณะลืมตาอยู่ภายนอกก็นึกสึกเอาได้ล้วนแต่ที่ยังมาไม่ถึงเป็นฝันอยู่ทั้งนั้นดังนั้นการบรรลุความจริงจึงมีแต่ในโลกปัจจุบันเท่านั้น